ใช่ถ้าการครั้งนี้สำเร็จลูกจะถวายทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลวงพ่อหนึ่งทุนอ่นิดเดียวเอะจะให้หลวงพ่อไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนกันเนี่ยไหนดิมาวิทยาลัยลงผีลงผีขอบารมีหลวงพ่อโปรดประสิทธิ์ประสานให้ความปรารถนาของลูกสําเร็จด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอใหอไปเจอเจ้าภาพจนเื้อรวยๆนะ ใช่ถูกถูกขอยได้สกความปรารถนาขใหยได้ยกทรงสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเสืยไปได้วยกราบทรานรมาสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงสุด <c oughs> ลูกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสังฆท า, านครบชุดคือว่าที่ศูนย์พุทธสัทธาท่ารานมีสังฆท า, านก็ทำแบบเดียวกับที่ตอยสยลมทุกประการ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 ไม่รู้รู้โอ้ตอบได้เก่งมากหล่โอ้ชัดเจนเล ย, ยนี่นะใช่ๆเอานี้ดิซื้อมาจามาเท่าไรขายเข้าไปเท่าตัวจะได้เสมอกั น, นยังไงใช่ๆอ๋ออย่างนี้ก็ไม่ขาดตูนนะเจ้าก็ไปเลยนะลาบเพ้าวหลวงพ่อที่เคารพ อ, อย่างสูงลูกฝึกมะโนมยิทธิครั้งแรกก็ได้มีโอกาสไปกราบพระสมมาสมุทิเจ้าที่พระจุรามนี เมื่อกลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อลงมามีโอกาสไปเจอโปสตเตอร์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นวิสุทธิเทพมองดูแล้วเหมือนกับวัท ธ, ธาสุงเปรีเหมือนกับที่ลูกไปเห็นบนที่ข้างบนทุกประการอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอารมณ์แบบนี้ลูกอยากจะให้มีมั่นคงต่อไป จะควรปฏิบัติเพิ่มเติมเสริมต่อแบบไหจึงจะให้อารมณ์นี้อยู่กับลูกต่อไปเจ้าค่ะสร้างแวนตาคนนะโอ้ผมสร้างแวนตาเหรอครับเคี้ยนผ้าพระวี่สุเทศ่แท้ีแ่แวนตา <laughs> โอ้ใช่อย่างนี้อยู่มาตรฐานเลยนะ <laughs> ต้องตัดใจแนะ่เลยอารมณ์เดิมไม่ใช่ อารมณ์ที่ทได้ขนาดไห น, นพยายามาารักษาไว้อย่าเล่งรัดยอ ย, ย่าเพี้ยงเกินไปอย่าตึงเกินไปอย่าขยันเกินไปเอาให้พอดีพอดีถ้าห้างรีเก็ตเกินไปอ๋อเอาพอดีพอดีนะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เป็นนั้นว่าเจ้านี้ก็ให้รักษาอารมณ์เดิมไว้หลวงพ่อขอรับลูกเป็นคนที่โง่และไม่ฉลาดเลยถูกต้องนะ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 วิธีที่จะตัดขันห้าให้ได้มาตรฐานตลอดชีวิตตั้นควรจะเริ่มต้นแบบไหนและไปลงท้ายแบบใดขอให้หลวงพ่อช่วยตัดเป็นตัวอย่างให้ดูสักครั้งเถิดรับเริ่มต้นนะบคับแต่ฉันไม่ตัดครับ <c oughs> ทำไมแล้วเขาบอกให้เป็นตัวอย่างครูบาอาจารย์ก็เริ่มต้นตรงนี้นะหาสตังเข้าสตงห า, หาสตาร์หาเงินนะหาเงินอาสาับ ได้เงินพอซื้อโต้เล่มนึงเพื่อเห็นเม่ดก้อนหนึ่งรับไปคมฟันคอก่อนได้เดียวโอ้เพตัดคอแล้วก็อีกอื่นก็ว่ากันที่หลังเน่ยเพื่อพูดเรื่องกันไปใช่ใช่ใแต่กันห้ากับเมียอะไรเล่าคนมันเกิดแก่เจ็บใจก็ดูให้เห็นเห็นเลยโอ้โต้ใช่ภาพจริงใช่โอ้วิบวิวัฒนายายก็ของจริงที่เราเห็นอยู่ครับครับคร คนก็เกิดมาแล้วก็เด็กจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุนสาวจากหนุมนสาวก็เป็นคนกลางคนขอกลางคนแล้วแก่แก่แล้วก็ตายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีแค่นี้แหละโอต้องต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใช่ใชเอาที่ว่ามันต้องตายแล้วกันอ๋อเอาตายไปเกณฑ์นะ เ, เอาตายตัวเดียวพอเอาไปตัดก็ใหม่นะ <c oughs> เอา้าเลยๆค่อยๆง่ายเลยเอ้ยปลอดภัยนะเจ้า ตาเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงปัจจุบันนี้ ป, นนปรากฏว่าลูกได้ถูกทำโทษจากเทวดามาเป็นเวลาสองปีกว่าแล้วรู้สึกว่าทนไม่ไหวจำเป็นจะต้องมาพึ่งหลวงพ่อ<ช>บอกให้หลวงพ่อบอกกับเทวดาจะลงโทษผมต่อไปเลยผมมีเรื่องดังนี้ผมจะถูกํำโทษเวลาทาสมาธิรอบนั้นไม่เป็นอะไรเลย นั่งสมาธิจีไรจะต้องปวดหัวปวดโน่นปวดนี่ดีไม่ดีอารมณ์ก็ควายเขวผมคิดว่าเทวดานี้จะต้องกับผมจะต้องมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนําเทวดาอย่าลงโทษผมต่อไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะยังไม่รู้เทวดาองค์ไหนเลยเพราะว่าเทวดามีเยอะนั้นเหรอใช่อย่างนี้เขาไม่เรียกเทวดาเขาเรียกอะไรครับเรียกขันธมาร คนเราพวกคือว่าโปวดน่นไปนี่เป็นอะไรเยอเลยใช่ใช่ใช่ก็ใช่ทุกขาแบบนี้ทีจะหายโอหลวงพ่อโปรดเมตตาแนะนำตัวโตนะครับครับครับช่างมันช่างมันโอ้ไม่เมันจะตายก็ช่างมันมันจะปวดก็ช่างมันอก็ให้รู้จักทุกทุกอะไรเยอะแยะไป เนี่ยร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้เรามีร่างกายอยู่ใช่มครัครับถ้าเราเกิดสไปนิพพานไม่มีร่างกายนี่มันยังไม่ทุกข์อย่างนี้อีกคือยิ่วล่างกายนี่เราไม่ต้องการไม่อีกขนาดพอแล้วโอ้ไม่ต้องการร่างกายใช่ใช่ใช่โอ้นี่กลับไปนี่ผัวเกิดไม่ต้องการร่างกายเมียเมียไม่ต้องการร่างกายกูจะยุ่งกันทั้งพวกเนี้ยเหนื่อยสิยุ่งทรงเี้เหนื่อยเขาจะต้องทําหน้าที่มาสัเปล่าต่อนะครับครับไม่ก็บ่นคำมั่นฐานที่วนไปวนมาให้ร่างกาย ก็ทาที่ร่างกายโดยเฉพาะพระพเจ้าเทศในพระไตรปิลกมีขันห้าเรื่องเดีย ว, วยเปลี่ยนในสัมโนนั่นเองว่าแปดเป็นสี่พันระนั่นแหละไปดูหน้าไหนที่ไปเกี่ยวขันห้าไม่มีเลยไม่มีเลยฉันเคยไปถานท่านอาจารย์ว่านง <c oughs> ฉันอ่านพระไตรปิลกมาสามปี <c oughs> ปีไหลเที่ยวนะ <c oughs> ปีที่หนึ่งอ่านไปอ่านมามาไปไปีกสองจดหข้อ ปีสามท่องจําบางตอนยังจํามไม่ได้หมดเนี่ยฉันก็ชักโมโหตัวเองว่าทําไมคนที่ไม่เคยเรียนมาเลยเนี่ยพอไปอรันไยสมิไทายานท่านบอก ท, อกทรงไปใต้พิจดไม่เคยรู้เรื่องเลยบก็ไปถามท่านบอกว่าเขาทรงกันยังไงครับท่านถามว่าแกอ่านใตบบ้ปิจดกี่เที่ยวบอกทราับเที่ยวไม่ได้ครับตัวนับปีโอปีหลายเที่ยวก็อ่านสามปีจบ ด, ด้วยท่องบางตอน เขาบอกกลับไปดูใหม่ด้วหน้าไหนที่พระเจ้าไปโผล่ขันห้าบอกทางงั้นผมไม่ไปดูครับโ อ, อ้โหเหลียนตาจะมีใกล้แค่ขันห้าอย่างเดียวถ้าเปลี่ยนจำนวนกันของบุคคลบางพวกคือฟังเหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่อย่างเราเนี่ยเราพวกเราพุทธาหม้อใหญ่ไม่เป็นโรคอะไรก็กินหม้อ น, นั้นเนี่ยมาหายก็ห า, ายมาห า, า, าก็ตายแหลอก แท้แท้ก็ขันหน้าอันนี้เองนิดเดียวไม่มีอะไรมากเลยครับจะสําเร็จแล้วไม่สําเร็จก็ขัน่ร่างกายเนี่ยเอาร่างกายที่ไม่สนใจร่างกายเท่านั้นพอแล้วออจะบวชนานไม่นานก็ร่างกายเนี่ยนะฉะนั้นแหละจะอีลูกมารือน้อยก็ที่ร่างกายนะโอ้แม่ถ้าเจอหลวงพ่อถ้าตอนแรก่านนี้ผมก็ตอนนี้ได้ฉันไม่คนถึงคือชันไปขันศิษไปเลยนะอ้าขันหน้าอันนี้แหละไม่ใช่อะไรอื่นหรอกอ่า กราบท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกมั่นคงในระรัตนไรแต่ก็ต้องตาขาวนิดๆใ น, นเมื่อครบนะนีตาไม่สกปรก <c oughs> ในเมื่อกรมบุตรได้ประกาศพยากรณ์ว่าแผ่นอะไร <c oughs> แผ่นดินจะไหวจะมีผลกระทบกระเทือนถึงกรุงเทพด้วยที่จะกราบเรียนถามนี่คือเรียนถามว่าหลวงพ่อมีอะไร ที่ลูกจะเอาไปป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดที่กรุอยากไม่ยากไม่อยากโอมีเหรอครับโอ้ไปยบายเจ๋อเกิดแค่นี้เองเพราะว่าพยายามย้ายจากเทพไปเช่นนีโอ้โหนี่เป็นคำแนะนําที่ดีที่สุดใช่เพราะไม่จะไหวที่กรุงเทพนี่อย่างนั้นจะย้ายไปอยู่วัดชาตงสูงมุสลิมเรื่องหมดราวเล้นะนี่เฉยๆเลยเถอะไม่ไม่แค่ไหนลงประเทศไทยน่ะอ อย่างมากที่สุดก็ต้นอ้อยหักไอ้ไอท้ทกลัวไม่กลัวอะไรพ่อไ ป, ไ, ไ, ปไปนอนไปนอนคอยตึกฟังอะไรสิบสิบสี่วันสิบสองวันกนูจะเป็นแบบนั้นนะออแต่ลูกหลานของพ่อสุยมากอก็เราจะโง่ทำไมเล่าเกมบขนมปั ง, า ง, งไา้กิน้อนโอ้โอีีวันคีวันก็อยู่ได้ได่ไ<ห>อยู่ได้ขนงปังเก็บน้ำไว้นะครับครับคห้องทรงห้องช่วมก็สบายเลยนะที่ ไม่พอเราก็เก็บมาใหม่ได้วนไปวนมาอาตกลงว่าพี่น้องชากรุงเทพไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องห่วงเพนะิ่มแล้วไม่นันไม่หนัล้วอ๋อไม่หนัออหนใช่เพราะว่าที่วิตกือว่ามีตึกสูงๆมีเยอะเพราะนั่นก็เออไม่ต้องกลัวดีกว่านะยังไงยังไงมีอะไรเกิดขึ้นก็เรียกหลวงพ่อช่วยแล้วกันทางนี้ก่อน อยางไรครับพ่อครับฟังหูถูกเขบอกจะจะไว้วันพรุ่งนี้วันนี้ไปวรัชสมุทรเลยโอ้โ <laughs> หลบมาเจ้วันหนึ่งแ <laughs> ล้วเวันนึง <laughs> <laughs> <laughs> แม่ทอแค่แนี้ก็สบายใจถ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ามขวัญนะขวัญลูอุยทีนะ <laughs> ลุงพ่อเจ้าขาแหม่ย่าของลูกชื่อนางหยกประยงกุล ซึ่งล่วงลับดับขันตายไปแล้วมาเข้าฝันบัลาบากมากอันนี้ไม่สงสัยแต่ที่สงสัยก็คือว่าลูกตัดบาปพิรุธโยลูกถวายสังฆทานลูกสวดมนต์ลูกขอบรารมีพระพุทธเจ้าหลวงพ่อทั้งๆ ท, ที่เก่งสุดเก่งแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถช่วยได้แสดงว่าลูกจะต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสมงพลอคุณย่า ขอหลวงพ่อดโปรดเมตตาแนะนําสิ่งที่ขาดตกบกร่องด้วยเถิดเจ้าค่ะไม่ขาดไม่ตกไม่บอกไพร่องที่ทํามาแล้วดีเหรอครับใช่ดีฟบต้นทุกอย่างเอ๊ะทำไมยาแต่ว่าคนนั้นเขายังไม่มีโอกาสมโมทนาโ อ, โอกาสยังไม่มีโอ้ยี็ต้องรองโอกาสแล้วครับใช่แต่นี่ถามมาบอกนี่เขามีโอกาสแล้วอ๋อเอาละะเวลาทำบุญก็ตั้งใจให้คนเดียวไปเลยนะให้เฉพาะไปเลย อ๋อถ้าถ้าหากว่ า, าอุทิศหลายๆคนนี้ผลไม่ค่อยมัไม่แน่นอนอุทิศาาจจสาวแล้วเจาะจงอ๋อสาษวบรีแปลว่าใช่ใช่แปลวเจาะจงครับเอาต่อไฟนะถ้าจะอุทิศแต่คนตาให้เจาะลงไปเลยนะครับจะได้สบายสบกร <c oughs> าบธรรสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกมีความข้องใจเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์โสดาอะไรปฏิมรกโสดาปฏิผล ว่าจะมีลักษณะแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรสมมุติว่าเวลาลูกบรรลุเป็นโสดามากักโสดาผลนี้จะรู้ด้วยตนเองหรือไม่เจ้าคะเจ้ารู้ด้วยตนเองพระเจ้าจะบอกว่าถ้าถึงแล้วก็มียานเป็นเครื่องรู้บอกเองไม่ต้องใครบอกใครไ ม, ไม่ต้องรเราคนะอืึ่งหรอมันแน่นอนออครับ เอานี้แล้วกันอกกกะไรร็บบคัถ้าบางเออเราจะไม่รู้เองนะจะมีพระบอกแต่ไม่ใช่พระพระเนื้อๆนะแล้วพระแบบไหนมีอะไรครับคือพระพุทธเจ้าจะบอกเองอะอออย่างตอนหนึ่งหนิงเขาจะโดนกรรมฐานเขาเข้าใจก็ว่าจะเป็นสกิทาคามีพระพุทธเจ้าจะบอกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าโสดาบันละเอียดเพื่อวิชัยใช่ไมมอารมณ์คล้ายกัน เขาจะคล้ายๆขึ้นกันมากเลยนะคลก้ายๆนมากอย่งางนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยนะเมื่อบรรลุแล้วถ้าไม่รู้เองก็จะทุตจ้าบอกทุเจ้า บ, บอกโอ้นี่ก็สบายใจแล <vere> ้วหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอ๋อเมื่อเดือนที่แล้วหนูไปทําฟันในขณะที่หมอกําลังอุดฟันหนูอยู่หน <c oughs> ู คนนัเจ็นหนูใช่ไหมหมอทันตแพทย์ทันฟันหนูที่เราฟังไม่ดีนะะเอาทันทันันตะนหนูเลยเอาคนดีกว่านะลูกแล้วกันในขณะที่หมอกำลังอุดฟันหนูอยู่นั่นก็ปรากฏว่าหนูก็ใช่แบบฉบับหลวงพ่อหนึ่งภาวนานามาพระาตสองจับภาพระพุทธลูกไปด้วย ลูกมีจิตเป็นสุขมากแต่ชั่วแป๊บเดียวไม่ใช่หลับตาไม่ใช่ลืมตาไม่ใช่ห่วงนอนเห็นจริงๆเลยเจ้าค่ะผู้ชายผิวสองสี ร, รูปร่างค่อนข้างท้วมวัยกลางคนหน้าตาใจดีแต่ไม่ใส่เสื้ออีห้อยคอเส้นใหญ่ยาวมากสองเส้นเส้นหนึ่งเป็นรองคําเส้นหนึ่งก็เป็นนากก้มอมองดูลูกลูกก็ เกือบจะตกใจกลัวแต่นึกอีกทีว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วต้องไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นที่จะเรียนถามว่าท่านมาปรากฏในลักษณะอย่างนี้มาดีมาลายมาสงเคราะห์หรืออย่างลายขอหลวงพ่อได้โปรดไม่าดูท่านม า, มาดูถึงเวางลาตายได้ยังไ อ, อ้ยาโอ้ไอ้ก้มดูนี่มาดูเรื่องตายเลยแหมไม่น่ามาเลยอย่างนี้อ้าวคูดอย่ามาอ๋อจริงก็เป็นเทวดาแต่สงเคราะห์กรับคร แล้มากับเปอ่งนั้นฉันไม่ทาฟันดีไรก็แบบนั้นอ่ะฉันไม่รู้เรื่องอ่ะลุกพ่อเคยปลยปการเมนกันเหรอเ น, นี่ยนีแล้วทํทําเมื่อเลิกมาเนี่ยฟันมันเสียวฟันผุข<อ>้างในนะครับครับพอหมอบอกจะเจ็บเขาจะเจ็บจะเสียวไหมบอกถึงเขาบอกถึงทันเจ็บเสียวบอกเออมแล้วไปเราก็เปิดแหนบไปเลยเหรอครับเหมือ น, นก็หลับอ้แต่ความจริงร่างกายเหมือนหลับแต่ใจไม่ได้หลับมองเที่ยวไปคุยใครแตใครเรื่อยเื่อเฉยไป เออออความรู้สึกทางทางไม่ไม่เลิกกันออกอย่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ย้ายย้ายลึบไปไหนที่ไหนาได้ใช่ย้ายเข้าสวมนี่นดวโอ้ได้วิธีใหม่แล้ว <c oughs> ครับครับครับก็เป็นอันว่าที่เห็นนั่นก็เป็นเทวดานะใช่ใชมาสงเคราะห์ <c oughs> จะได้เจ็บน้อยลงไปหน่อย <c oughs> อ้าวกราบธรรสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง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 ถวายเสร็จแล้วก็มาทานเองอย่างนี้จะมีโทษหรือเปล่าเจ้าคะไม่มีมีตะคุณมีตะคุณเหรอเขาตั้งใจไปทําบุญแล้วมันเป็นมันเป็นบุญแล้วตัวตั้งจับสินใจนี่นะครับครับตั้งใจถวายพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ไม่อยู่กลับมาถวายพระพุทธใช้ได้เลยได้ทั้งสองทางพุทธานุติสังฆานุติกับทานนอมรมีโอ่ยูบางคนไม่แน่ใจแหมตั้งใจจะทําบุญมากินกลัวว่าจะมียโทษมีอะไรอะไรนะ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 ลูกเองไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อยากขอความสว่างจากหลวงพ่อว่าควรหรือไม่อย่างไรจึงจะมีผลสมบูรณ์แบบเจ้าค่ะแต่ความยิงค้นถามนี่มีความรู้แค่ฉันแล้วนะอ้าวทำไมล่ะครับหลวงพ่อฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <laughs> ออกนี่ก็หายกันไปเลยใช่ <laughs> มีความรู้เท่ากันแล้วไม่รู้เอามาจากไหนเรือกล ะ, ละบวบกงโบกเข็มเราลอยล้ำห่อโอ้พรนะคุณ ทันยิโดท่าสมาบ่ายกลางเดืทะเลวูพกพุทธกระโบเข็มนี่องเดียวกันเหรอครับองเดียวกันเอางั้นเรื่องเป็นยังไงขอสักนิดหนไม่รู้อ่ะแปลว่าจะเอาจิงๆบอกไม่รู้เลยเขาใช่เขาบอกโอ้พุทธไงเราท่านจะบรรษากระเบื้องะเลนนีนเรงแจ้วอยู่ใช่ไหมเขาเลยทาเป็นผราโบเข็มแล้วทำไปโบคว่ำคว่มหัวอยู่บาอย่เรื่องเขามามาคิดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไทยแลนด์นะไม่ใช่ไทแลนด์ ก็เรียกว่เข้มขม่าไครับตกลงว่าจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำก็ตางนก็ไม่จาเป็นครับคเอาเอาจิตเป็นใหญ่กันแล้วกันบูชาถึงท่านก็แล้วกันนะครับับ่อย่าลืมว่าพรับกเข็มที่เป็นประสงค์ไม่ใช่พระตรูโออยังนั้นเหรอเขาใจผิดกันหมดเลยโอ้โหไปสร้างแทนเดียวกับพลวงพ่อเจ้าโอ้ไม่ใช่นะรอไม่ใช่ีขั้นข้าสาวกแนั้นเองแทนท่านแทนอปุชนี่แล้วก็ทาแทนอปุชงอาครับจัง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 เวิธีเตรียมไปก็คือหนึ่งกกนุ่งกางเกงแล้วนุ่งผ้าไม่ตุ่งกางเกงไม่ก็ได้มีกางเกงนอกก็ใช้ได้ครับโอ้ละเอีย ด, อดรอครับเสื้อให้ดีครับครั บ, รบใเดินให้เรียบร้อยครับให้ดีคานไปจนหน้าวัด<笑><笑>โอ้ไม่มีอะไรมากวิธีโต๊ติครับเอกแต่งกายก็ไม่ต้องขาวแขวอะไรก็ได้ใช่ใช่ดีอย่างนะฟรีสไตล์ไม่ค่อยมีบทบาทมากที่วัดนี้ อ่าไปดันว่าถ้าจะเข้าพิธีก็ต้องไปก่อนหกโมงใช่ป่ะก็เริ่มไปก่อนถ้าเริ่มไปเขาปิดประตูอ๋อเอ้เสร็จจะไแปลกใจเมื่อคราวที่แล้วที่เสกพระมหาลาภความข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขาเสกเสกเนี่ยมีพระอะไรมาสีห้าออกสวงกุ้กุ้ยขอหลวงพ่อเดียวเลยเหรครับสบายไม่โดนหูไอพวกเว้ยเว้ยทำจิตโกแวกเขาใช่รวมถึงัด บอกไวไปเขาหลอกชาวบ้านโอ้มีน่าโอโหโอโหนันั่นที่เป็นพานยักษ์เลยหอ่ใช่ใชองค์ที่นั่งปลวกนี่เพือเพือเพืเลยนะเป็นอันราบพิธีว่าท่าทุงถูกต้องแล้วนะใครเข้าพิธีนี้จะได้ประโยชน์ซุงนั้นไม่ค่อยมีเสียงโอ้เฮยเห็นซุงจอดมีเสียงมครัครับก็ลอยแพรเฉยๆปีทั้งปีมันมีเสียงนอกจาขึ้นมากระทบกันก็เสียงไม่ดังมาก ครัใครจะไปก็เชิญนะวันที่ยี 4, ่สี่หกโมงเย็นเป็นต้นไปกราบเท้าหลวงพ่อที่สรบยังสูงกระผมปฏิบัติเป็นประจำดังต่อไปนี้และได้ผลเป็นที่น่าพอใจคลืนหนึ่งเวลาปกติผมเวลาสวดมนต์ผมจะเอาเหรียญทำน้ำมนต์ของหลวงพ่อวางไว้บนหัวศีรษะแล้วก็วาดคาถาอิติปิโสเจ็ดจบ นามาพาตะสิบห้าจบผลปรากฏว่าอาพาธโรคภัยไข้เจ็บบรรเทาแล้วก็หายไปโดยไม่ต้องกินยาหาหมอเมื่อได้ผลอย่างนี้ก็ผมอยากจะขอถวายแนะนำว่าให้หลวงพ่อทดลองดูบ้างบางที <c oughs> ลูกพอ่ออาจจะหายป่วยโดยฉับพลันก็ได้โ <c oughs> อ, อ้แต่เขาวางสูงนะอาโศกเลยครับโอ้เขาว่ามันโหนศีรษะนี่ครับ มันนี่เล่ารทาชทาสับประสองสับเลยเนี่โอ้โหไอ้โรคหุ้นฉันน่ะับก็ใช้น้ำมลอยเสม อ, อแต่อย่าลืมว่ากำหนดเวลามีอยู่ที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าต้องทันวาหมายถึงว่าทันวารองันวารห น, น, น้าเนี่ยถึงแล้วมันสองทันวาเนี่ย ต, ต้องาศักษาสองปีอออออขอโลกหายไข้เจ็บถึงจะ ก็คลายมาเรื่อยๆเนี่ยพยายามคลายเรื่อยๆมันคลายไปเยอะแล้วอย่าล oh. er uh ืม huh. ว oh. oh. oh. oh. oh. so like ่าการกดข่มกรรมเก่าทําไว้มากไม่ใช่เล็กน้อยนี่คือการหน้ที่จะสิ้นสองลูกหนี้จะหนีเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็ตามทวงก็ช่างมันแล้วที่บอกว่ามาเร็วๆด้วยไอ้อะไรอะหนังหนังเท้าพองอะไรขึ้นมาใช่หนังหนังเท้าผมแน่ว่าเอาเข้าพรรษาเนี่ย อเยู่ๆมันพองไว้ใฉยอ่ะไม่มีเวลาก่อนจะไปเข้าภาษาก็ไม้จิ้มฟันประแทนแทนเท้าที่พี่พ่อจะลงที่นี่ใช่โอ้ล้วมาต่อมากับพองขึ้งบนนใช่อันนี้เป็นบาเรามีอะไรที่หลวงพ่อไม่ใช่โลกไหลออกอโลกไหลลงลมางเลยพองๆก็เป็นน้ำๆมันกดแปะก็แตกหายเบาทะลุเบาครับครับอแปะนะฮะแม่ได้ดายพูดชานะ อ, อ่ะกมันมันตุ่มเดียวก็นหนึ่งอาว่าแปด ก, กับแปลนิ้านวหมายาพูแล้วถ้าพูดลแล้ววันนี้คงจะหมดเยอะอนี้นอ่า <c oughs> ก็เป็นอันว่าใครจะลองทำดูก็ได้นะเหรียญทำตะหมูถ้ความความจริงเ็าตามแบบฉบับว่าเอาไว้ในขันแล้วก็อัลลาฮานานนะ อ, อันนี้ก็ดีเขาตั้งใจดีใช่ได้อ้ดี่จะให้ศักดิ์ธรชั่วชีวิตก็ ไปจ้างสัลยกรรมนาผ่าแล้วก็เหรียญธนมัตรบกบกไปเลยยกสรงจะลองทําเป็นคนแรกดูนะเพื่อจะได้ผลไม่ใช่น่าพอใจบ้างเออทุกอย่างถ้าตั้งใจแล้วก็ได้ผลไม่ใช่น่าพอใจครับกราบเท้าหลวงพ่อสุโขทัยอย่างสูงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองลูกไปซื้อกุ้งจากตลาดซึ่งมันตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เอามาถึงบ้านก็แกะเปลือกกุ้งแล้วก็ผ่าหลังกุ้งแต่ละตัวแต่ละตัวก็ปรากฏว่า ต, ตัวสุดท้ายอะ่ะเมื่อผ่าแล้วมันมันกระโดดแหววลงไปติ้นก็เดวก็แเดวแล้วก็หยุดแล้วก็ตายเป็นอีกวาระหนึ่งลูกมีจิตรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันคงจะมาบอกผมว่าให้ทำบุญทำกุศลอุทิศไปให้เพื่อนๆมันด้วยนะมากราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อว่าการทาทบุญกุศลอุทิศให้แก่กุ้ง จะต้องทำแบบไหนถึงจะถูกใจกุ้งของรับอ <c oughs> ให้กุ้งกุ้งต้องสร้งางอาคารหลังกุ้งกุ้งครับสร้างโบทถสิสร้างโบดถ์เหรอครับอสร้างโบทความกว้างสามว่ายาวาสิบสองว่าเรียกว่าไปการที่สุขส่วที่ถูกใจเข<ร>าไม<ป>่โอ้ <c oughs> <c oughs> สายสลายสังฆทานเยอะแยะไปแล้วการสังฆทานถือว่าดีที่สุดแล้วนะถึสูงสุดแล้วอ๋อสูงสุดแล้วนะเออใครที่พลาดตัดตัดชีวิตนะทำบุญอย่างอื่นไม่ตื่นใจไม่หายไม่โอ้โหสิก็ลองลองสังฆทานดูก็ได้ไม่เชื่อพื้นที้องค์ละพันสักสามชุดรับรองเลยเดินกลับบ้านทุนหมดครับคค่ารนไม่มีแหมนี่นี่ในไลน์นี่ไปว่าท่าสูง บอกเออมือม่อเมื่อคราวที่แล้วบอกมันเอาไม่อยู่อะทำทำจนกระทั่งผัวสกิบอกนี่อังไงไงขยากคารถจนนะเ <c oughs> มี์ก็บอกเออมาวัดท่าสงเรื่องตกรถเรื่องเล็กผลปรากฏว่าตกตามเป้าหมายไม่ได้ตกขึ้นไม่ทัน <c oughs> ทำบุญทั้งหมดทั้งหมดตัวเลยดีแต่ว่าโชคดีอะไรลูกไหมแกมาอธิษฐานแบบที่พระหน้าโบสถ์บทวัดท่ า, าสงอะ บอกว่าถ้าแต่หลวงพ่อโบสว่าท้าซุงปัดนี้ลูกโตกรถแล้วจะไปขอเงินหลวงพ่อก็อเกรงใจก็เลยมาขอบรารมีพระพุทธเจ้าที่อยู่หน้าโบสถ์ให้ช่วยช่วยสงเคราะให้กลับได้มันก็เจ้ากรรมจริงๆไอ้คนที่จะกลับกรุงเทพไอ้ตอนายไปกันหลายคนแล้วไอ้ตอนกลับมาไม่กลับอค้างวัดท่าซุงออแกก็จะกลับคนเดียวแกก็กลัวแกก็จะหาเพื่อนกลับ แกก็มาไหว้ที่โบสดว่าสุนทอภูอัศจรรย์จริงๆทำไมข้าแต่หลวงพ่อขอให้มีคนไปกรุงเทพด้วยเพราะว่าไปคนเดียวมันกลัวโยนตวนนี่ไอคนนั้นเ็นก็ลังไหว้กก็เข้ามาในลายเขาก็ไหว้ทำไมบอกหาเพื่อนกลับบอกเออชันก็ไหว้ตบรถโอเดีเลยผมสุดท้ายเขาก็เลยพามาส่งที่กรุงเทพ เออนี่ผมกําลังจะเอาบ้างเนี่ยถ้าตกรถจะต้องไปไหว้ที่หมดเวลาอ่าบ <c oughs> ันโดยตรงตกรถในเองนั่นแะ <c oughs> ตกรถได้ได้กลับไม่เป็นไรครับ <c oughs> ต้องพิว่าโชคดีนะโอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าอนุภาพการก <c oughs> ทำมลหมดตัวก็ถือว่าทํำมลสูงสุดโอ้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะอันนี้สูงมากกนะารทําหมดเนื้อหมดตัวเนี่ย <c oughs> อแต่ไม่ต้องถึงกับบทแบบนั้นหรอกขนาดเล็กว่าเรากันค่ารถไว้แล้วกันค่าหันไว้แล้วนะเหลืออย่างนั้นทําบุญทั้งหมดแต่การสอนนี้ว่ายังถือว่าทำบุญหมดตัว อ, อันนี้เขาหมดจริงๆไอสงสูงมากที่เรยกว่าได้ผลแหมปัจจุบันทั น, นกาปัจจุบนัน ด, ด, ด้วยนะไอ้นนสองสูงจัดหา ย, ยากอเวลานี้ก็ใกล้สี่ทุ่มแล้วนะวันนี้คนาสามทุ่มครึ่ง นี่เหอีกสองนาทีสี่ทุ่มจ้าสงสัยต้องไอหลังนี้ต้องต้องัอาไว้นี้ดิมีธีแก้ขวาขวานแต่เอาละเขาให้เยี่ยมไม่ได้ฮะเอาละพอมาเขียนมาอย่างนี้เนี่ยใครอยู่ไปอยู่ไม่อันเดียวกันเหรอซีๆเหมือนกันแล้วกันลงซีให้ได้ใช้ไหมไอยูซีไอก็ใช่สพันซีก็เห็นอาละเหมือนกันเนี่ยนะคืออย่างนี้เจ้าค่ะ ลูกหลานอยากจะทำบุญหรือจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนองคุณท่านให้หายโดยเร็วๆและฉับพลันขอคำแนะนำจากหลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนำเพื่อไปการกรตัญญูกตเวทีสักครั้งเถิดเ จ, เจา้าค่ะลงลุงบอกให้ปล่อยปลาปล่อยปลาแหละรครับใอ้ลุงตอบทันทีโอานานโอยู่มานานแล้วผมมานานแล้วดูที่เสาต้นนี้ใช่ไหมฮะ ไอ้แดงแดงเนี่ยชุเดียวโอ้โอแมกลับไปนะว่าท่านที่จะกระตันดูกระตะเวทีท่านจะพรมเสริมกา ล, ลังป่วยป่วยขนาดนี้นะปล่อยปลานะทขาก็ทานด้วยเปิดใจท่านนะปลอดภัยครับโอ้าการพรมเสริมนี่ถ้าไม่ตายในห้าร้อยปีจะอยู่ได้ห้าร้อยปีเหรอครับถ้าไม่ตายนะโอมีมีวงเล็บเลยเหรอใช่ใชครับแมเป็นห่วงท่าน ไม่เป็นไรคับไม่เป็นไรครับเพราะใหญ่คราวนี้เขาเดียวต่อไปไม่มีอ๋อครับคลุงพ่อเจ้าขาเมื่อเดือนที่แล้ววันฉลองพระเ จ, าเจ้ากรมมหาราชวัด ท, ท่าทงลูกจะมีโอกาสไปแล้วก็เวียนเทียนรอบจุฬามณีพร้อมด้วยลูกพระเจ้ากรมมหาราชในขณะเวียนเทียนนั้นปรากฏว่าน้ําตาของลูกไหลร้ลองไห้เอาไม่อยู่สอือกเสือกเป็ น, อ, นปอย่างมาก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 คนพร้อมสยองเจ้าจําตาไหลร่างกายโยกโกลโอ้นี<ด>่ถือว่าเป็นนักรอบรุ่นเก่าด้วยกันอ๋อใช่ไหมครับครบันน่าฆ่าศึกมาด้วยกันครับก้าู้เชื่อชาติไทยเป็นคั้งแรกเคาเจอกับพระเจ้าพรหมราชหรือว่าเป็นเป็นต้นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ประเทศไทยไงั้นเะไม่ใช่ตน้นแล้วเป็นอะไรต้นกษัตริย์ที่กว่าจะถึงพระเจ้าพรหมนี่หกสิบตำแหน่งกว่าเราเคยรู้จักกันกว่าโอ้โห แต่ว่าไม่มีสงคราม s right. <S มันมีสงครามสมัยพระเจ้าพังค ร, ราชเพาะอดแอร์เกินไปใช่ไหมครับครันนี้ขอมดำมันก็กำเริกที่จะยึดประเทศไล่คนไทยโอ้ก็ไล่ไปอยู่ที่เมืองสีทองเึืองทิ่ทวงได้ไามสายครับพระเจ้าพรม เ, เกิดมาถึงยุติสองปีก็สั่งพ่อบอกเลิกสงบรรมนาการ เตรียมขุดบ่อน้ำเกรว่าทาา้าคาศึกมารอบเมืองใช่ไหมครัจะได้มีน้ำกินเตรียมการรบเต็มที่ถ้าได้ช่างตายประกายมาชพเป็นเพื่อนผู้นำครับต่อไปก็พไม่ใพรมก็สร้างบุญบา ร, รมีหนักสร้างย<ป>ังไงครับตีแหลกเล้งเลย<อ>ปวดปวดเจ้าแต่สันสายขึ้นไปถึงเมืองเสียงแสงเข้าถึงเสียงแสงเตยในเมืองโผล่พมนันหนีมาทุ่งยาง กองทัพิ่งมาสามวันต้องสั่งย้ำให้กินข้าวยั่งตัวกินข้าวส้กทีนึ่งพอกินข้าวทีเดียวอิมแล้วไล่ตีต่อไปอีสร้างบุญบารมีมากนั่นฉันอาศัยที่เป็นลูกศิษย์พระเจ้าพรหมยังต้องป่วยมากเนี่ยตอนี่หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์พระเจ้าพรหมเหรอโอ้เลยป่วยตามพระเจ้าพรหมไปด้วยใช่ใช่อาศัยลูกิษย์ก็แสดงว่าคนที่ร้องไห้เนี่ยก็คงคงจะหุ้นส่วนในสมัยนั้นไม่ต้ห่วงละ พุ่นแง่แงที่นั่งนี่และที ja ่นั่งประจอกรแจกนี่ก็แง่แง่องั้นเลยอง่แง่กินหูเผือกหมันมาด้วยกันอดทีก็ไล่ออกจากเมืองไม่มีข้าวอยกินกินหูเผือกหมันต้องทํากระทาใหญ่ๆรินกันมีอะไรก็มาะสมกิงกันแล้วเขาเก็บสวยสงคำต้องเลื่อนทองคำส่งสวยเขาถ้าเค้กเที่ยวการในคนไทยอยู่แค่ไหนแล้วล่าเข้าเข้กเขาไม่ได้ถ้าถ้าเป็นเมืองของเรามันไล่จีไล่ฟัน ให้ความเจ็บใจของเด็กก็มีอยู่ใช ah ่ไหมครับครับพระเจ้าคุมหาราชเป็นแม่ทัพครารนนยุแค่สิบหกปีโอ้โหยังหนุ่มเฟี้ยวเลยนะยังไม่ทันหนุ่มดี16กยังไม่หนุ่มเลยครับสิบแปดถึงหนุ่มอ๋อหนึ่งแปดเอาให้เข้าล็อกไปได้แต่ก็ดีในการตีท่านคนนั้นน่ะตียังไงหลวงพ่อพอมาถึงสัจชนาลัยได้มีเลยแม่เจ้าแวว พ ร, ระเจ้าพระเจ้าพลมได้เมียเหรอครับได้เมียอ๋อพอตีเก่งเนี่ได้ทั้งเมืองทั้งเมียเลยนะใช่ใช่ได้สองโมโอ๋อแห่เจ้าชู้น่าดูกันดาวพระเจ้าพลมนี่นะไม่ใช่เจ้าชู<อ>้เ ข, ขายกให้เองโอก็มีพระราัสหนึ่งท่านบอกว่าในเมื่อถึงศีลสัจนาลายรอบเมื อ, องเขาไม่ยอมให้ผ่านเขต<อ>เราจะไลข่ขอมขอมมันก็วิ่งหนีไปใช่ไหมครัครับ เถึงสีสันยาลาไรเขาตั้งทัพกันเลยไม่ยอมผ่านเขื่อนก็ต้องรบกันใครั บ, รบในเมื่อกําลังเขาเรามากกว่าพวกเมืองัวเมืองต่างๆที่ทราบว่าเราไร่ขวามดีไมครัครั บ, รบเขาก็มาสุทาบท้นกำลังมากกว่าเขาเลยตั้งทหารรับบัญชีเหงเคยองเขาไม่ออกมารบอแต่ว่าเขามีปืนนกสัตว์สิบ ส, อ, สองร้อยก็ บ, บอกเราไม่มีที่ทหารัวเมืองเขาเ้าไปอาสาตีตายไปหลายคนเจ้าพระพุทธเจ้ไม่ต้องตี ล้อมแบบนี้ให้มันอดข้าวเองอมายอมเองเห็นท่านหลายวันเขก็มีพระพธิวงศ์หนึ่งท่านแต่ ห, ห, หันหน้าพระเลยฮะเป็นพระหานไม่ใช่ไม่ทายาทท่านทราบว่าพระเจ้าพรหมก็ลูกสาวพระเจ้าเมืองเนี่ยเคยไปคู่ครองมันได้แค่ก่อนอให้บอกให้เจ้าเมืองยกลูกสาวพระเจ้าพรหมเสียเรื่ อ, ยอยลยสงครามเขาขก็ยกให้พอยกให้แล้วพระเจ้าพรมได้สองมอเจ้ามอเดียวใช่ไหมครับครับที่ได้จะเอาเมืองที่ได้มอเมียด้วย เรได้มอเมืองด้วยมอชื่ว่าได้ทั้งสองมอเหรอได้สมอโอพอเขาให้มอเมียแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตีกันเลยแล้วก็ได้มอเมืองด้วยโอ้ตีเท่าไหร่ปาดปาดแล้วแล้วชื่อชื่อของมอมอที่สองนันชื่ออะไรครับสมมวดีปทุมมบวดีเหรอฮะโอ้ไม่ใช่ปทุมจาได้จำตอนนั้นฉันเป็นทหานเร็วเดี๋ยวเร็วอยู่แถวหน้าอยู่เสาหลังนะเร็วแถวคอช้าง โอนี่คงจะเป็นอันดีส์ตอนนั้นถึงได้ปวดอย่าตอนนี้นะมันไม่แค่นั้นอย่างเดียวไม่หลายชาติย<อ> ม, มีอีกเหรอรับเข้าไปตีอีกไอการสงครามในฆ่าสัตว์กี่ตัวโอ้โหเห็น ไ, ไหมครับคต้องฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่เลี้ยงทหารน่ะมันเยอะแยะอไอบาปเนี่ยมั น, ม, นมันเต็มอมัตราของฉันเนี่ยแต่ช่างช่างไม่ได้แล้วโอ้โหแ้่ก็เอาแค่นี้กับบนตัวแล้ว เอาแค่นี้มึงก็เอาไปให้กูหนีชาตินี่โอ้นี่เล่นหลบกันเลยเลยเนี่ยไม่หลบหนีเฉยๆโอ้ครับนั่นก็ลูกหลานคนจะภูมิใจนะใช่นี้จะเอาไงก็เอาไปนี่เ่นี้ถูวฟ้องล้มละลายแล้วโอสิ้นเนื้อปัหาทั้งหมดแล้วใชใช่ๆอ้อมใช้แค่เอาเฟื่องให้เฟื่องสริงให้สริงช่างมันใชโอ้เจ็บไายไดป่วยก็ั่ง ก็รู้อยู่ตามยถากรรมตายาอในเมื่อเราใช้ยถากรบมตายานเราจะทราบทันทีว่าป่วยไข้คืออายรเรื่องมันเกิดเพราะอะไรไเป็นเรับภายหลังก็ไม่รู้ปั๊บเอ้อเราทำเขาอย่างนี้เวลานี้เราเรียนโทษแค่นี้นเราฆ่าเขานะนับทันนะชุดนั้นนะแล้วเราก็แค่ป่วยไม่ถึงตาย แล้วต่อมาก็เกิดอีไร้าชาติแจางแจ้งเพราะมันหลา้ชาติกวจะมาถึงตอนเนี้<อ>ด่ทุกชาติแล่าสร้างบุญบา ร, รมีดะทุกชาติถ้ า, ถ, าถ้าจะรับจานวนคนที่ตายไปนี่รับเลยแสนห<อ>น้าแล้วมาชาติตุดท้ายไม่ป่วยหนักขนาดนี้ไม่ใช่หนักได้ป่วยเบาไม่ยังเบาเละเนี่ยป่ยถึงตายยังแข็งยังใจแข็งนะ งั้นถ้ากิดลูกหลานใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะถนักบกว่าตัวเองลําบากแนละ้วให้ดูลุงพ่อเป็นตัวอย่างนะก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องคิดว่าเราฆ่าขอมกันมามากเราฆ่าศัตรูเพื่อเป็นคนไทยกันเองก็มีมากที่แข่งเมืองครับเราฆ่าพม่ากก็มามา ก, ม, ากมันทวงแค่นี้ช่างมันตะวันนี้ผานดีกว่าครับครับตกลงก็ไปนิพานกันพลาดนี้รุ่นหลังพระวินตาบา ก, ก็คงไม่มีใครใส่บาตร ไ, ไปนิพานกันหมด เลยน่วงเร่องนี้ก่อนไม่ใช่แหววันแวงมัได้อ้าวในรู้เลยนะยศกำมตายานนะพวกเราเคยทำเขาไวา้หลวงพ่อเจ้าขาคือว่าลูกตั้งใจว่าวันเป่ายันกรอบเพชรตรงกับเสาห้าที่วัดพระทรงลูกจะทำพิธีขึ้นบานใหม่แล้วก็จะนิมนต์กายทิพย์ของหลวงพ่อมาทำพิธีเปิดป้าย ไม่ทราบก็ับหลวงพ้อไอ้วันเสาร์นี่เขาไม่ขึ้นบันใหม่เขาห้ามนะเ้าห้ามเหรอครับอย่านะมันเป็นวันแข็งเขาไม่ทำงานมงคลประเภทนี้นีเยทํางการปกเสกอ็เลื่อนไปว่อาทิตย์วันศุกร์ก็ได้ดิเอาเอาเอาสักก่อนมาวันนึงกันใช่ไหมใช่ใช่อย่าไปทำไม่ดีนะทุคนอีกจะเข้าใจผิดี่าวันแข็งแข็งเวลา เปิดบ้านจะได้บ้านแข็งแเขึ้นไปบ้านก็ปากแข็งตังตรงทะเลาอะอกันเรื่อยโอ้มีโทษฉันไม่ได้ประเภทชา้าตุบเย็นตับนะใช่ใช่างา น, นตกลงให้เปลี่ยนเวันศุกร์งจะไปเอาเสาห้าพี่จะเดือดร้อนต่าง้าววันศุกร์ก็ตุบพระจะไปไม่ทันดิค่ะทุอหลวงพ่อเจ้าขาในขณะที่ลูกเจริญพระกรรมฐานเดี๋ยวก่อนบ้านนั้นเอาวันจันทร์จะดี วันจันทร์แหละครับ okay, <indeed. S 1> อ๋อวันจันทร์ชื่อชื่อชื่อชื่อป๋อมอ่ะคนชื่อป๋อมนะจาำ น, นะเอาวันจันทร์นะกราบเ <Okay. S 1> ท้าหลวงพ่อที่เคารพ อ, อย่างสูงอคือว่าลูกนอนหลับกลางวันแต่พอตื่นขึ้นมาลูกก็จะเริญภาวนาต่อจะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่เชิงคือว่าอย่างนี้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 เพราะวัดท่าทรงมีบารมีมากลูกเห็นว่าหลวงพ่อไม่สบายไม่อยากรบกวนแต่สองสามวันนี้ไม่ค่อยดีเลยขอสักครั้งเถอดเจ้าค่ะนี่ไม่รบกวนในหลวงพ่อนะความจริงเขาไม่ได้รบกวนก็ขออ๋อเอาครั้งเดียวนะแล้วต่อไปจะรับครั้งครับแบบอาหารจานเดียวสิวใช่ใชจักสายครั้งนะครับ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 อะไรเมื่อครูก็มาคุยกับท่านท่านท่านทรงตรัสว่าไงครับท่านบอกว่าจะย้ายก็ได้จุดโทษบอกก่อนให้บอกพันเอกสีพันนะเขารู้เรื่องกันโอ้พันเอกสีพันนะนนนนะใช่ใช่ใช่ไม่เปไน็นไรอะรใชครับอ่าก็ที่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เมื่อกลางวันเองจําได้คนนี้ยอ่าผ่านไปหลวงพ่อเจ้าขาเพือว่าเออลูก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 อยากจะเรียนถามว่าจะปฏิบัติธรรมะแบบไหนจึงจะเป็นที่ถูกใจช้างเจ้าข่าเอาเลิกสิเพราะใจพิโดกเล่นใหม่มาแล้วปฏิบัติตามเดิมอ้อ้ที่จิตมันวิ่งไปใครจะเป็นลมเนาะคือว่าทำทีแรกลมหยาบการเจริญกรรมฐานกันลมหยาบใช้ใจแรงๆทั้งห้าครั้งยาวๆโอ้ลึกๆเลยนะ อแเราจะระบายลมหยาบไปอาการอย่างนี้จะไม่เป็นระโยชนแต่ก็เป็นชาญนัเนี่ยโอ้ติดเป็นชาญแล้วนะแต่ชาญช้างนี่จะเกิดตายก็ผมก็เป็นข้อที่ผ่านช้างไปเลยนะครับครับอืออึดอัดอึดอัดนี่เกี่ยวกับเรื่องอ่าลมหายใจหยางหยายไปนะปนนาปลายุ่งหยาบปนนาปลายหยาบไปเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องแก้ไขให้ใจรึกต่อไปพระฟ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ลูกได้ซื้อบ้านจัดสรรเมื่อปีสามศูนย์ก็ปรากฏว่าตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้แล้วเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเช่นทะเลาะบอกแว้งเจ็บไข้ลดยพวยโชคลาภก็ไม่เคยจะมีอะไรๆคนไม่คยจะดีไปทุกอย่างไปหาหมอหลายคนว่ากับไปต่างๆนานาลูกพึ่งหลวงพ่อดีกว่าเพราะยังไงยังไงหลวงพ่อก็เมตตาลูกอยู่แล้วเออเต็มที่เ้ยเปไปแล้ว บ้านถวายวัดสุสงสังสโอเป็นอาว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้คือเอาบ้านถวายวัดเหรอใช่ใช่ใชแล้วปัญหาหมดไหมหมดที่ไปอยู่ก็ตอบมันเรื่องโอ้เรื่องหมดลวาวไปเลยนะเ น, น, นี่ยเอานี้ยสิยังไงขราบหลวงพ่อครับให้หาพระเอศวิภัณเขาไปดูเขาจะเจรจากรเทวดาที่นั่นได้นะ ครับครับคนนี้จะพูดกับเทวดาได้อที่ว่าพระเอกชื่อเล่นชื่อแดงเนี่ยเหรอโอ้คนนี้มีความถนัดในเรื่องนี้นะถนัดมากเอาละต่อไปพี่แดงนะถ้าติดต่อเทวดามาได้เลยสามสิบปีแล้วคนเนี้ยเหรอใช่โอนี่คือการตั้งสารเสริมพระภูมิพภูมิอะไรก็ได้หมดเนตั้งไม่ได้แต่เชิญได้อ่าไม่อันเดียวกันเหรอตั้งมาเชิญตั้งมันต้องตั้งเสาหุดหลุมพวกคุณเลยออคนแก่แล้ว เสือกให้ต่างศาลเวลาซื้อก็ซื้อถ้าเเกินไปเลยไม่ใช่ซื้อผูอ้ทมภาษาไทยครับครับดีแล้วนะเราได้ลูกหลุงพ่อเป็นที่รักใครเกี่ยวกับเรื่องศาลพระภูมิสงสัยแล้วก็ถามแล้วก็เชิญไปตั้งได้ไม่เสียตังค์ครับแสนเจ็ดผูไว้ก่อนเดี๋ยวจะเรื่องตั้ ง, งไม่ต้องใจแต่คนนี้เด็ขาดให้แต่แบงค์พอแล้วโอ้สันโดจนนั้นหนาดนั้นใช่ใช่ใช่ใช่หมัดน้อยโดด สึกตงไม่เอาสะแบงนะครับาหลวงพ่อเขารับแล้ผมฝึกมโนโมยิทธิได้แล้วมีความศรัทธาอยากจะบวชที่วัดท่าทุงสักเก็ดวันแต่นี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าบวชแค่ชั่วคราวเจดวันเอาหลวงพ่อจะเมตตาอนุญาตหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอ่าไม่ขัดข้องแต่เวลาไปเป็นหน้าต้องเป็นหน้าก่อนนะ ท, ที่วัดท่าซุงเนี่ยเหรอใช่ต้องมีระเบียบของวัดก่อน Oh. ถึงแม้ว่าจะได้แล้วก็ต้องซ่อมกันมาถนก่อนต้อศึกษาระเบียบของวัก่อนแค่ ว, วันเดียวต้องศึกษาระเบียบเหมือนกันศ oh. ึกษาระเบียบแต่โปรเพรรไว้บวชแ้วไม่มีทางว่าถ้าส่งวะอ๋อมีมีกฎเอาเงินให้แล้วสิบล้านก็จะไม่รับเลยสิบลนะ้านน้องเขาไม่เอาเลหรอยี่สิบยังไม่เอาอย่างนี้ก็เรียกเขาเรียกว่ามักน้อยสันโดษใช่ไหมไม่ใช่ระเบียบเขารับรงไปเข้าพระเจ้าต้องเป็นระเบียบอเขาว่าสิทธิยะปฏิวัติอย่ลืมนะครับครับ จิติยะปฏิบัติท่านต้องอยู่สามเดือน <บ S 1> ไปบำเพ็ญสมาธิปัญญาครั บ, บถ้ายังเอาดีไม่ได้ให้อยู่อีกสามเดือนถ้ายังเอาดีไม่ได้อยู่อสามเดือนแล้วสามเดือนสามหเก้าเดือนไม่ได้ห้ามหมดเลยโอที น, นี้พวกเราใช้วิธีรัดให้ฝ <บบ S 1> ืนมโนยิทธิครับือสมาธิปัญญาสําคัญตรงนี้นะครั บ, <ๆ S 1> บ <ๆ S 2> ถ้าได้มโนยิทธิแล้วก็ยอนปฏิบัติตาระเบียวของวัดได้ไปหมดได้แ น, น่นอนอ ติ้งตางสมมติว่าจะเหมาให้หลวงพ่อเนี่ยสักคิดราคาสักเท่าไหร่สักบุญสิส1บแสนก็พอโอ้ดิขนาดสันโดษนะสันโดษสิยังไม่ถึงสิบล้านเลบนญัวแล้วอย่างนี้ก็มาเรียนโอ้งบประมาณก็ไปไม่ได้แน่ที่วัดนี้นะไปได้ไปได้ละครับไปถึงยื่ราคาราแปงโอ้โหเสียถอนดัทางเลย จริงๆที่วัดท่าสูนโมเมตตาอยู่แล้วนะทมตามระเบียบดีไม่ดีหลวงพ่ออาจจะออกให้ฟรีใช่ใชออกฟุีได้จ่ายเช็คมาก่อนเพื่อค ว, วามมั่นใจในการบวชนี่นะๆๆเรียกว่าขี่เล็บก็ไม่ให้กระเด็นที่วัดทา่าเอานี่ค น, นค้นถามนี่มีเมีหรือเปล่าคนถามนี่แหละครับเด<ช>ี๋ยว <ๆ S 1> ผมนั่งทางในดูก่อน <S <S โอ้เลยมือแบบนี้ต้องผ่านแงแง ไม่รู้จะมีอิพเปล่าก็เวลาเมียเขาก่อนนะให้เมียอนุญาตน ะ, ะถ้าเมียไม่อนุญาตอุปชาถูกทอดโอ้โหนี่อยา่าพูดจริงนี่นะต่อไปผู้ชายบวชยากเดี๋ยวเมียไม่ให้สิพ<ช>อถ้าเมียไม่อนุญาตให้บวชไม่ได้เลยเลยถูกทอดบวชได้จะอุปชาถูกทอดจะมีเรื่องโอ้อย่างนี้ก็ต้องปลอมลายเซ็นเมียบอกว่าอนุญาตที่แล้วเขาไม่อยอม <c oughs> เอาลายเซ็นเขาตัวไปเลยโอ้โหน ลุงนี้ไม่มีเมียสักกันดีบวชยากจังเราก็เลิกมีเมียมีแต่ปัญญาสิถ <laughs> <ส>ึไ <c oughs> <c oughs> ด้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะ <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวครับคดีนะบวชพระธาสุงมได้จะได้ไประโยชน์มาก <c oughs> อ่าหลวงพ่อเจ้าอ่าบวชพอดีเลยนี่บวชชีเมื่อกี้บวชพระนะห <c oughs> ลวงพ่อเจ้าขาคือว่าลูกลูกบวชชีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง เพอร์เอร์มีความจำเป็นในภาษาใจมาศสามเดือนอยู่ที่วัดไม่ได้จําเป็นจะต้องมาคอบบ้านพรากามีหลานตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าการครอบบ้านนี้พ่อวัดปฏิบัติกรรมฐานลูกถอดแบบหลวงพ่อเปรียบทุกประการแต่ไม่ทราบว่าจะมีพ ร, ราอานิสม์เหมือนกับอยู่ที่วัดหรือเปล่าไม่มีอะไรที่เขาไม่ห้ามอยู่บ้านก็ได้เขาชีอยู่บ้านได้ได้อฏิบัติกรรมฐานนี่เครื่องใช้ก็แล้วกันมาเรื่องกัน มี่สินจะมาที่ปัญญาทรงโตใช้ได้เลยออ <c oughs> ถ้าบทประเภทนี้มันว่าผิดประเภทเท่านันนะทำไมถ้าผิดผิดจะไหนหลวพ่อครับมันต้องถ้าบทที่ว่าถ้าทรงต้องบทในเพลงไ <c oughs> อ้อาพ่อคือบางคนนี่มีความจําเป็นอย่างก็ะรดลาวาสอขออึ่นลูกไม่ได้ไม่ได้ต้องบทในเพลงเ อ, อ, อาก็บางคนอยู่กรุงเทพไปไกลนี่ไงกว่าจะไปรู้อะไรก็บอกมาโอ้โหไปโคลเวลเลย ที่โซไว้ใช่าหมอ๋อกลายเป็นกล้วยบูชีกล้วยงั้นเหรอ <c oughs> นี่นี่นี่เลยเพลนแล้วนะ <c oughs> ยังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์อา้าวใช่เว้ยนี่รังเรดีนะอ๋อไม่อ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปอ่านครับอ้าวเอาสิ่หลวงพ่อเจ้าขาอดีตสมาธิ ลูกอยากจะกลาบเรียนถามเกี่ยวเรื่องสมาธิเล็กน้อยคือว่าอย่างนี้เจ้าค่ะสมาธิของลูกนี่จะได้แค่ประมาณสองสามนาทีหลังจากนั้นไปอารมณ์จะพุ่งแล้วก็ทุกวันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่สามารถจะแก้ได้จึงขอบา ร, รมีหลวงพ่อช่วยแก้เพื่อการปฏิบัติของลูกให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยเถิดเจ้าค่ะอแล้วสองนาทีพอแล้วสองนาทีเนี่ยเหรอ อย่าลืนวันละสองนาทีถ้าสิบวันเ ท, ท่าไหร่ก็ยี่สิบนาทีรอยปีเท่าไหร่โอเอาอย่างนี้เหรอใช่พิธีที่ส่งสมาธิส่งตัวจากอนนาปาลุสติเตเพอทราบครับสุกลมหายใจแล้วออกหายใจเข้าหายใจออกนะับเป็นหนึ่งถึงสิบใช่ไหมทราบทราบตั้งใจคิดว่าถ้ายังไม่ถึงสิบจิตมันอบอกว่าไงนะเริ่มต้นใหม่เอาให้ถึงสิบให้ได้อ่ออีดีสุดอาจารยนี่นะทราบครับ ก็ลงความว่าแม้สองนาทีสามนาทีก็ใช้ได้แล้วนะมันใช้ได้อยู่แล้วอ่าเรียกว่าดีแล้วนาทีพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับสาธิบุตรที่ปรับเลยโอ้ก็สาธิบุตรดูก่อนสาธิบุตรบุคคลใดจำจิตให้ว่างจากกิเลสวัดหนึ่งช่วขณะจิตหนึ่งครับสถาโคข์เขากล่าวว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานอสองนาทีที่มันว่างจากกิเลสนะครับคร ไช่ได้ใช่ได้นะฮะสองสามนาีเป็นเวลาใช้ได้โหนี่อ่านไม่ทันเลยปลาดเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกอ่านธรรมวิโมกเมื่อเดินกระดกกดาหน้าห้าสิบสี่โอ้หนี่อ้างหน้ามาเลยนะยังดีเลยฉันใช้ไม่อ่านเลยอ้าวหนังสือที่ออกจากวัดท่าตุ้มไม่ได้อ่านเลยเหรอไม่อ่านไม่มีเวลาอ่านาขาดขาดก็แสดงหลวงพ่อโชคดี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 วีโมแปดอภิญญาหกอธิษฐานอย่างนี้จะมีความสําเร็จในชาติปัจจุบันได้หรือไม่เจ้าคะ ส, สำเร็จสําเร็จเหรอครับหลวงพ่อแต่ไม่สำเร็จนะฮะสำเร็จอธิษฐานโอ้ <c oughs> ลงสุนแทบตายนอก่านะจะสมความปรารถนาจะไปทำทำไมนั่นก็คือพโนที่ให้ดีแล้วชอบาอยากยากความจริงแค่ขึ้นปนัิพาานได้เนี่ก็ก็เหลือ แ, ล, แล้วจุด จะจุดหมายปทางแล้วเนี่ยานได้ไปสฉลิทายานอยากได้ไปทําไมสงสัยจะไปดูเล่มีความหมายเลยแค่นิพพานยานอะไรๆก็แค่นิพพานยานเกิดสูงสุดเรียกว่าสบายที่สุดก็คือนิพพานใช่ใช่ใชอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเอาแล้วไปส่อไม่น่าจะมีคนฉลาดแบบนี้เลยครับขอขอใโง่ต่อไปขอความโง่จนเจริญโอ๊ยเลยเลยหลวงเอ้ย หลวงพ่อจะข่าลูกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเในที่พระสอนว่าผู้ที่จะเป็นเทวดาได้ต้องประกอบด้วยหิริโอตปะอายชั่วกลัวบาปแล้วก็มาสงสัยตอนที่พญามาลาทีลาดไปแกล้งพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการคนที่จะแกล้งได้นั้นต้องมีอารมณ์โกรธอิจฉาริษยาพยาบาทไม่น่าจะเป็นเทวดาได้เลยเรื่องนี้ลูกสงสัยมานานแล้วขอความสว่างจาังนนี้เข้าใจผิด อ้าวแหมนี่เขาสอนกันมานานแล้วเป็นยังไงกันแน่ะให้สอนก็จะสร้างพระยกทรงก็เคยสอนนะแหมส า, ารภาพบาปเลยตัวนรกอยู่นี่เองแหมมาอวยพรกันต่อหน้าต่อตาเลยเหรอ <c oughs> อวยพรรหลังอยู่เรื่องเลยอ๋อครับโมตนาโดยที่ให้พรต่อหน้าฮะเนี่ยเรื่องนี้เป็นงงเทวดาท่านท่า น, านอะไรท่านเท<ไ>่ามาลายนี่นี่เนี่ยมาราดที่ลาดเนี่ยโอ้โหมาลาที่ลาชชื่อเดิมชื่อเท่ามาลาย วความจริงท่านไม่ได้โกรธอะแล้วกันคิดแกล้งนะไม่ได้โกรธแต่ความจริงหน้ามาเป็นเพื่อนกันกับพระเจ้าขยามาราธิราชใช่ไใช่เป็นสมัยพุทธคุมนะเป็นเพื่อนกันอะแล้วกันต่อมาในเมื่อบรรลุปฏิเสธสมมาธิโมทิยานแล้วใช่หมครับครับท่านคิดว่าในเมื่อพระเจ้าบรรลุปฏิเสธสมมาธิโมทิยานแล้วจะสอนคนปฏิพันธ์หมดเวลาที่ตัวเองปฏิพันธ์ไม่ได้เป็นพระเจ้าจะหารูกสิษไม่ได้ถูก โม่เง่าเต่าตนฟันเท่าจอบน่ากยัวหน้าแล้วกลัวหน้าม่ได้ระวังให้ดีมาแล้วเหรอครับมาแล้วผมไม่ได้พูดนะคนอื่นเก็พูดนะโอ๋ยนี่ลาแล้วอ่าไม่เอาแล้วเหรอพระตุภูมิตัดแรมอ่ะอาแล้วเลิกอีกโถอีตอนนัาหลราแหมกลัวก็กลัวจกลัวจะไม่ได้เป็นเราพระเจ้าจากลัวจะไม่มีลูกศิษย์้จะไมกษอ๋อขณนี้มองไปมหงมามนเหลือแหลไหวโออ ตกกลงเลยลาแล้วลาแล้วอ๋อีนี้ก็ไม่เกเรสิเป็นคนดีนะอ้าดีจริงจริงี่ี่ตามช่วยนะคนที่เลย่รงมงคฐานได้ตามช่วยนะท่านท่านพญามาราธิราชเนี่ยแหะใช่อย่แร่มเพราะโอ้ยนีะหาว่าเราอย่าเรียกพญามาราธิราชต้องต้องเรียกไงคำพ่อเรียกพญามาราธิราชจันกแกลงต้องเรียกเท้ามาลายโอก็มาลายนะแต่เที่ยวนี้เนี่ยพีีเที่ยวเที่อวเที่ยวเท้าบยไม่ได้ดีไม่ดีเอาหนักกว่าเก่าเลยนะ อ๋อต้องเล sure yeah, ียเท้ามาไล่นะเอาแล้วงวดนี้พอจะอาศัยได้แล้วพอเท้ามาไลแต่ถ้าไม่ออกมาก็ก็เป็นอันนี้จังทุกขังอันตาเ้อนะอ้าวเป็นอันว่าที่สอนกันนะผิดนะนะผิดพอได้ปลอบพอทาความเข้าใจสมัยแล้วนักเทศน์ก็จะโวยวยแบบนี้เสมอครับครับครับอ่านหนังสือแล้วไม่คิด พระเทวดาได้โกรธไปได้แต่โกรธต้องจุตินั่นนะ่ะสิเอ๊ะไม่จําแล้วหลวงพ่อไอ้ที่กขบอกว่าอะไรยกผลผลไปให้ยกเสนามีไม่มีมีคลอดมีช่างมีอะไรนั่นนี่ยเป็นสมมติอ้าวแล้วเวลาเขามาถามเนี่ยเขาไม่ได้เป็นยกผลมันเสนานะหรอกอาคนเดียวเหรอแกสองลูกสาวมาสามคนถ้าเป็นฉันเรียบร้อยเฮ้ยไปต้องไปกันแล้วนะอกูไปไฟแค่เนี้ แล้วต่อมาถ้ากันหลับตาถ้ามันจะเลื่ิมตาไอตอนที่ยกกำลังมาเนี่ยไม่ใช่ยกกำลังใหญ่ไอตัวพระมาคนเดียวมีธกิจข้างๆมีถูกเลิ่มตาเถอะอย่าไปไหนเลยเป็นบรรลุเป็นเสดเพื่ออะไรเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกว่าพระเจ้าทำไม่สนใจอพอเลิ่มตามาบอกปาเป็นมะดูก่อนมันเป็นบาปไปซะนะจะยกกระดานฐานฟอ จริงๆแล้วแค่นี้เองนะแค่นี้เองโอ้โหก็เขียนภาพหน้ากลัวหวาดเสียวใช่ๆเขานั่นเป็นภาพสมมติขึ้นมาอ๋อกรับกราบเอานั้นว่าสว่างกระจ่างใจมนแล้วตอนนี้ไฟเราจะเป็นมิตรกระท่ามาลายขอพ่อท้ามาลายจะช่วยยกทรงด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่อย่างน้อยก็สองตัวก็พอผมไม่เยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหลบแล้วครับเรื่องหวย ท่านมีอารมณ์ขันดีนะองนี้อ่ะหรอครับนีมิอาจารยชอบกันชอบทะเลาะกันอ๋ออะไรขันแต่ชอบทะเลาะกันมีคราวหนึ่งใช่ไหมใช่นี่เรานอกเวลาไม่ไม่เป็นไรก็ลูกเราที่้านเทไปแค่3าินาทีก็เจ๊งนะก็วันหนึ่งตอนสี่โมงเช้าว่างใครไปใครมาก็ไม่มีเห็นถึง4ี่โมงเช้ามีกันมาก็หลบกลอนออกมาตัวในประตู เ oh. ที่ยอวอไปเที่ยวมานเอ๊ฉันจาตัวมาร่าที่ไม่เคยไปเลยว่ะ oh. ก็ไปหาท่าทศรถท่าทศรถก็รถจริงๆก็ไม่ใมีจักรเกงไม่มีเสื้อถูกถูกามอนิจจานิจจากิจจังวามวิธีเทวดาทำไมนั่งไม่มีเสื้อเสื้าไม่ใส่เขาถามมันมีมันจำเป็นไหมก็คุยไปคุยมาไปดูรุ่น้องมาเยอะ คุณน้องมาเย็อกเอ้ยเพื่อนเก่ามาแล้วโอ้เสียงเจียวเจ้าเจียจียวที่เคยอยู่เช่นนั้นมาก่อนเจ้าตัวร่ากันนอดีตเคยอยู่มาก่อนเคยเคยอยู่ด้านท่านด้านทิศเหนืออ๋อเคยใหญ่มาก่อนนะที่ต่อไปก็ชวนกันยกทัพไปหาท้าเรือนหกก็ไปกันหมดแต่ถึงท่าเรือนหกก็ชวนไปหาท้าเรือนปักก็ไปกันหมดแต่ถึงท้าไวสวรนี่แถานี้เองปู่ยักษ์มาไม่ต้องหงแล้วเสียงไม่ติดฟังไม่ได้เลยเพื่อนเก่าวมาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้ว ถามท้าววิศวันว่าเวลานี้เทวดามาหมดไหมปกเกลือเจ้าพงศ์เทวดาไม่มาโอ้โหแล้วต่อไปก็พากัไปหาโยมยาตุ้งวราทั้งหมดยกทัพไปพร้อมหมดเขาบอกว่านี้จะไปรบกับใครกันนี่อะไรเพราะมากระเตมมาตราเลยนะ